อิเมโคปนาเยสมันโตติงสานิสกิยาปาจิติยาธรรมาอุเตชังอากะชันเตเนตภิตะกีวรัตมิงภิกุนาอุปะตัสนิงกะภิเนดาชาหะประมังอตทิเรกะกีวรังทาเรตับบังตังอตทิกามมยะโตนิสตกิยังปาจิติยัง นิพพิกีวรัตมิงที่คุณาอุปภัตสังมิกับใหเนเยขารัตมปีเกติขุติกีวะเรนาบิปปะเสียอญยัตราภิคุสมะติยานิสกิยังตาจิติยังนิพพิกีวรัตมิงที่คุณาอุปภตังมิงกัใหเนภิกขโนปเนวะอากาศีวรังอุปเจยยอาคังขามเนนภิกขนาปตยกเฮตบังปตยัเกเฮตตากีปเมวกเรตบัง โนจัตสาภาริปูริมาสะปรามันเตนะภิกขุนาตังคีวรังนิกิปิตัปังอูณัตตาปาริปูริยาสติยาปัจจายสัยะตโตเจอุตริงนิคีเปนยยัสติยาปิปัจจายาสัยาณิสกิยังปาจิตติยัง โยปนะพิกุอัญญาติกายะิกุนิยาปุรานกีวรังโธอาเปยาวะราชาเปยาวะอาโกตาเปยาวะนิสกิยังปาจิติยังโยปนะพิกุอัญญาติกายะิกุนิยาหัตถโทกีวรังปะติเงินเนยะอัญญตทรัพาริวัตตะกานิสกิยังปาจิติยัง โยปันาพิกุอัญญาตัดังกหปติงวากหบตานิงวาชีวรังวิญญาเปียัญญาตรัสมาญาณิสกิอังปาจิติยังตถายังสมโยอชินนาคิวโรวาโอติพิกุณตาคีวโรวายังตถาสมาโย ตัเจอนยาตโกกหปิว่ากหปฏานิวะบะหหิกวเรหิอภิวารียกนตรุตระปรมนเตนิคุณาตโตวรังสัดิตับังตโตเจอุตริงสาดิเย่ยนิสกิยปาจิติยพุงเปนวอุิอ่าตะสังหปิสว่างหปฏานิยาวะกวราเกตาปนัอุปหเต อิมินาจีวราเจตาปเนนะจีวรังเจตาเปตวาอิทัณนามังพิคุงกีวเรนะอัชชาเดสามีเตตตะระเจโซภิกขุปุเบอปวาริโตอุปสังกมิตวาจีวเรวิกปังอาปัเจยะชาถุวะตังอาจยตมาอิมินาจีวราเจตาปเนนะ เอวะรูปังวาเฮวะรูปังวาจีวะรังเคตาเปตวาอัชชาเดหิติกัญญานกัมมิจังุปาปายานิสกิยังปาจิติยังปิกุงปเนวะอุดิตะอุปินนังอัญญาตกานังกหะปตีนังวากหะปตานีนังวาปะเตกคีวะระเขตาปนาอุปปัตตาหนเต อิเมหิมาอย่งปเจกจีวราเจตาปเนหิปเจกจีวราณิเจตาเปตตว์อิธนามังพิคุงกิวเรหิอัชาเดสามาเตตระเจโซพิขุปุเปะอปวาริโตอุปสังกมิตวาคีวเรวิกกปังอาปเจยะธาถุวะตมังอายัตมันโตอิเมหิปัเจกคีวราเจตาปเนหิ เอวะรูปังวาเอวะรูปังวาจีวรังเจตาเปตวาอัชาเดทาอุโภวะสันตาเอเกนาติการลียนักกามิจังอุปปัฏายนิสกิยังปาจิติยังภิกขุปเนมะอุดิตาราชาวาราชาภูกวาบราหมโนวากหปติโกวาดูเตนจีวรัเจตาปนังปิห็นไมยะ อิมินาจีวรัเกตาปเนนะจีวรังเกตาเปตวาอิทัณนามังพิคุงจีวเรนะอจชาเดหิเตโซเจดูโตตังพิคุงอุปสังเกมิตวาเอวังวัฏเดียะอิดังโคพันเตอาจอจจสมันตังอุดิตาจีวรัเกตาปนังอาภะตังปัตติกันนาตุอาจัสมาจีวรเกตาปนันเต เตนะพิกูณาโซดูโตเอวามัจวายจนิโยนโคมายังอาบุโซกีวรเจตาปนังปัตตังกันนามะจีวะรันจโคมายังปัตตนกันนามะกะเลนะกัปิยันติโซเจดูโตตังพิคุ่งเอวังวัตติยะ อธิปนายาสัมตโตกโจิเวยยมัจจกรโรติกีวรธิเกเวภิกูุนาเวยยมัจจกรโรนิดิตตัมโบอารามิโกวาอุปาตโกวาเอโซโคาอาวุโซภิกูุนังเวยยมัจจกรโรตต โซเจดูโตตังเวีาวัจจกะรังสัญญาเปตตวะตังพิกุ้งอุปสังกมิตวะเอวังวเดียยังโคผันเตอายสมาเวีาวัจจกะรังนิดีศิสัญญตโตโซมยะอุปสังกมตุอายสมากาเลนะอีวะเรนะอีวะเรนะตังอชาเดตตติเต กีวรัติเกณฑ์ิกขเวภิกุณาเวยียปัจจกรโอุปัชฌกำหนว่านิวิติขตุงโจเดตํมโบสาเรตํมโบอโทเมอาบุโสกีวเรนาตินวิติขตุงโจอดยะมาโนสาเรยะมาโนตังกิวรลังอภิณิพาเดยยอิเยตังกุสละนโนเจอภินิพาเดยย จะตุกขัดุงปัญจัขัดุงชักหตุปรมังตุนนี้โหเตนะอุดิตสัตถะตัมบังจะตุกขัดุงปัญจัขัดุงจคกตุปรมังตุนนี้โหโตอุดิตสัติภามาโนตั้งคีวรังอภินิพัาธเดียะอิเตตังกุสลังโนเจอภินิพัทธเดียะตโตเจอุตริ่งวายมะมาโนตั้งกีวรังอภินิพัทธเดียะนิจักยังปาจิติยัง โนเจอภินิพันเดียยะยตจักีวรัจเจตาปนังอาภัตตังตัถาท่ามวากันตะบังดูโตวาปาเหตัมโบยังโคตุลแม่อายสมันโตภิกขุงอุดิตะกีวรัเจตาปนังปะหินไมทหาณตันตสักภิกุโนกินเจอัตถังอนุพโยติยุจันตายะมันโตสกังมาโวะสังวินัสิทธิอาังตถาทอามีจิ อิบาระวังโกปธรรมมลโยปนะพิกุโกุสิยะมิสตังสันทังการาเปยานิจิกิยังปาจิตติยังโยปนะพิกุสุทธกาลกานังเอลักโลมานังสันทังการาเปยานิจิกิยังปาจิตติยังนวัมปนะพิกุนาสันทังการิยะมาเนนะดเวภางาสุทธกาลกานังเอลักโลมานังอาดาตัมบา ตัติยังโอดาตานังจตุทั้งโกจริยานังอนาดาเจติขุเดเวภะเกสุทตกาลกาณังเอลกะโลมานังตัติยังโอดาตานังจตุทังโกจริยานังนวังสันตะังการาเปียนิสกิยังปาจิติยัง นวํปนาภิกุนาสันตการาเปตวาฉัชานิทาเรตบังโอเรนเจชันนางวันังตสันทังวิเจตวาวาอวิเจตวาวาอัญยงนวังสันตการาเปยอัญยตราภิกุสมะทยานิจกิยังปาจิติยัง นี่ที่ดนซ้ายสันทตั้มป็นนักพิการงามาเนนะปุรานสันทัตั้งสัมนตาสุเกตบิดัทิอาดาติมบาดุบันมกรนยะ อนาดัเจพิคุปุระนัสันทัตตสามมันตาสุกตะวิติิงนวังนิสิตนะสันทตังาราเตนิทกิยังปาจิติยังพิคุโนเปเนวะอะถานามะกะปะตังอิปนัตเอลังาโลมานิอุปเจยุงอาคังขมาเนนพิคุนาปังเกเหตัมบานิปังเกเหตวาติโยชนะประมังอาทารตัมบานิ อสันเตห่ารเกตะโตเจอุตริงหาเรยอาสันเตปิห่าระเกนิสกิยังป่าจิติยังโยปนาภิคุอัญญาติกาญาปิคุนิยาเอลักโลมานิทวาเปยวาราจาเปยวาวิจตตาเปยวาณิสกิยังป่าจิติยัง โยปนาบิกุจาตรูปาราชตังอุกันนัยยวะอุกันนาเปียยวาอุปนิคิตังวาสะดิเยียนิสกิยังปาจิติยังโยปันาบิกุนานาประการังรูปียสกษังโบหวรังสมาปัเจียนิสกิยังปาจิตติยังโยปันาบิกุนานาปะการังกายวิกายังสมาปัเจียนิสกิยังปาจิตติยังโกศิยวังโกติโย นาสาหะประมังอาิเรกะปะโตทาเรตัมโบตังอตทิกามยโตในสกิยังปาจิติยังโยปะนาพิกุูณะปัญจะบัญทะเนนะปะเตนะอันยังนวังปะตังเจตาเปียในสกิยังปาจิตติยังเตนะพิกุนาโซปะโตพิกุปาริซายาณิสจิตัมโบโยจะตตาซาพิกุปาริซายะปตะปริยันโตโซจะตตาสะพิกุโนปะดาตัปโบอาจันเตพิกุปะโตย ย่าวะเพดนายาทาเรตัมโบติออยังตถาสามีจิญานิโคปณะตานิกิลานานังพิคูนังปะติซายะนิญาณิเพสจานิเสยที่ดังสปินวะนีตังเตลังมัถุพานไมตังตานิปะตังเกหิตวาสัตะปรรมังสนนิธิการังปริพุนจิตาบานิตังอติกามายาโตนิสกิยังปาจิตติยัง มาโซเชโซยิมมานันติพิคุณาวสิกาชาติไนกะกีวรังปรเยสิตัมบังอะทะมาโซเชโซยิมมานันติกัตตวานิวาสตจัมบัง โอเรนเจมาโซเซโซยิมมานันติวสิกาสาติกาคีวรังปริเยเศยะโอเรนถะมาโซเซโซยิมมานันติคัตวาเนวาเศียนิสกิยังปาจิติยังโยปนาภิกขุภิกขุสะชะมังกีวรังดัตตวากุปิโตอนัตตมโนอัจฉริยวาอัจฉริยาเปยวานิสกิยังปาจิตติยังโยปนาภิกุสะมังสุตังวิญญาเปตตวาตันตวาเยหิอีวรังวายาเปยยนิสกิยังปาจิตติ ยังพิกุงปเนวะอุดิตะอัญญะตโกกหะปฏติวากหะปะตานีวาตันตวาเยหิจิวะรังวายาเปยะตัตระเจโซภิกขุอุเบะอปปวาริโตตันตวาเยอุปสังกมิตวากิวะเรกีวะเรวิกะพังอาปัเจยะ อิดังโคอาวุโสจีวรังมังอุดิตะบียติอายะตันจะกโลกาโรทะวิทะตันจะอภิตันชะสุวิตันจะสุปวาหิตันชะสุเวเลขิตันจะสุวิตัชิตันจะกาโรทะ อเปวะนามะมายมปิอายัสมันตานังกินจิมาตังอนุปัจเจยามาติเอวันจะโซภิกขุวัตวากินจิมาตังอนุปัจเจยะอันตมโซปินะปะตมัตตมปินิะกิยังปาจิติยังดะซาหานากัตังคติกาเตมาสิปุณณะมังภิกขโนเปเนวะอาเจกชีวรังอุปเจยะอาเจกังมันเยมาเนนาภิกุนาปตังเกเฮตัมบังปตังเกเฮตวา ยาวบกิวรากาละกะมียงนิคิปิตดบังเดโตเยอุตริงนิคิเปยานิสกิยังปาจิติยังอุปวัตสังโคปนากติกาปุณณะมังยานิโคปนาตาณิอารัญญกาณิเสนาสนานิซาสังกสัมมาตานิสัะตัยเพยานิตัทธารูเตสุปิกุเซนาสเนสุวิหารันโตอากังขะมาโนตินังกีวรานังอัญญตรังกีวรังอันตรนคะเรนิคิเปยะ สิยาจตัสสพิคุโนโกจิเดวะปัจเจโยเตนะกีวะเรนะวิปวะซาญาชาระตะประมันเตนะพิคุนาเตนะกีวะเรนะวิปวะสิทธังตะโตเจอุตริงวิปวะสะยยะอันญตราพิโุสัมมติกญาเนสกิยังปาจิตติยังโยปนัตพิคุจานังสังหิกังลาบังปริณะตังอัตโนปรินาเมยะนิสกิยังปาจิตติยังปัตตะวังโกติตโย อุดิตาโคอาเยสมมันโตติงสนิสกิยาปาจิติยาธรรมมาตัดท่าเยสมมันเตปุชามิกจิธาปริสุทธาดุติยมิปุชามิกจิธาปริสุทธาตติยมิปุชามิกจิธาปริสุทธาปริสุทเถถาเยสมมันโตตัดสมาตุนีเอวะเมตังธารยามิ